พระธรรมเทศนาแผนที่85ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าการภาวนาอย่าไปหลงนิมิต มะยังพันเตวีสุงวีสุงราคานาทายาตั้งใจจะมาทานศีลศีลวันนี้เป็นศีลพิเศษทำไมจึงว่าศีลพิเศษเพราะว่าพวกเราได้ตั้งใจมาเพื่อจะมาร่วมกันทอดผ้าพระกถินวันพรุ่งนี้ วันนั้นพวกเราเย็นนี้ได้พวกเราได้มาพร้อมกันแล้วก็ได้มีการไหว้พระแล้วก็จะได้หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมตระในยกถาตอนรับคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าตลอดถึงพระสงฆ์น้องลงทั้งหลายได้เข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อกล่าวจบแล้วพระสงฆ์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิ่งเป็นมงคลของงานต่อไปแต่ในขณะนี้คณะทศธาญาติโยมก็ได้กราบพระราชาขอศินศินห้าหลวงพ่อก็จะได้นําพวกเราท่านทั้งหลายสมาทานศินพเพราะมาสู่วัดวาศาสนาเข้ามาสู่วัดพวกเราก็จะได้ตั้งอกตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแล้วว่า มาคราวนี้มาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลมาเพื่อทำบุญบางคนก็ได้ถวายเจตุปัจจัยร่วมกฐินมากน้อยตามกำลังศรัทธาของพวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่เมื่อเราทำทานทำทานแล้วก็สมาทานศีลให้ครบบริบูรณ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธบททมลแล้วนะผู้ที่มีโอกาสเคจะมาพักอยูใ่ในวัด ขอให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ครบทั้งสามอย่างทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาอันนั้นจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นขอใ ห, ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้เราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้่ะเพราะว่าเข้าเราเข้ามาสู่วัดครั้งแรกพอเข้ามาแล้วก็ควรจะชําระกายวาจาของเราให้เรียบร้อยให้เป็นภูมิศีลเสก่อนถ้าว่าเป็น บุคคลใดก็ตามผู้ใดก็ตามเป็นผู้มีสินแล้วผู้นั้นพระพุทธเจ้ารับรองรับประกันว่าจะไม่ตกไปในทางไม่ตกไปในทางที่ชั่วถ้าเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่ติดคุกติดตลางนเพราะว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่มันชั่วเราไม่ทำชั่วพิษพูดชั่วเพราะสินห้ามสินห้าห้ามไว้แล้ว ถ้าหาว่าเราออกจากโลกนี้ไปพระพุทธองค์ก็รับรองว่าจะไม่ตกนรกจะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ระฉานจะไม่เป็นไปตกต่ำพูดง่ายๆมีแต่ขึ้นสูงผู้ที่มีศีลห้าเพราะนั้นพวกเราได้ยิพิเคาะดูแล้วพวกเราได้ฟังทำคาสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าแล้วพวกเราก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติ แล้วก็เนี่ยวันนี้ก่อนที่พวกเราจะถึงวันพรุ่งนี้ถวายงานผ้าพระกรินเป็นงานใหญ่ในในวัดของพวกเราระหว่างงานนี้เป็นงานใหญ่มากนะคณาจาทย์ญาติโยมตั้งแต่ตั้งสร้างวัดตั้งวัดมาก็มีคราวนี้แหละครั้งนี้แหละเป็นงานกระินที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าพราะองค์เจ้าพราะวรวงศ์เธอเพระองค์เจ้าสมสวรี พระวรราชาที่นัดดามาตที่ท่านเสด็จมาวันพุ่งนี้เสด็จมาถึงวัดของเรา16 00 น, น, นคือบ่าย4โมงเย็นแล้วก็จะถวายภาพพระกตินอยู่ศาลาข้างในพร้อมกับน้องขององค์พระองค์ท่านคื อ, อหม่อมหลวงสรารีกิติยากราที่จะเสด็ จ, ะ จ, ะจะสี ม, มาด้วย พระเจ้าพี่น ะ, ะเพราะฉะนั้นพวกเราประสบที่ก่อนในท้องถิ่นก็ได้จะได้เตรียมตัวต้อนรับรับเสด็จพร้อมหน้าพร้อมตากันถือว่าวัดของเราก็เป็นวัดที่ได้ได้ต้อนรับพระองค์ท่านอขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าหน้าให้มาร่วมร่วมกันวัานพงศ์นี้เสียสละสักวันหนึ่ง พวกเราจะได้รับเสด็จไม่รู้ว่ากี่ปีจะได้รับเียมทำอย่างวันพุงนี้นะอาจจะไม่มีต่อไปก็ได้หรืออาจจะมีต่อไปภายภาคหน้าเพราะอนั้นอนาคตนะแต่วันพุงนี้พวกเราก็จะได้มารับเสด็จพร้อมๆกันเนอะคณตถททาญาติโยมถือว่าวันพุงนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเพราะนั้นพวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนา พวเราจรึงพร้อมใจกันสมาทานศินให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ชําระกายวายจาให้เรียบร้อยเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะถึงในวันพุ่งนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านตั้งใจสมาทานศินแล้วก็รักษาศินให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้จนจบสิ้นงานนะให้จบสิ้นงานให้รักษากายวายจาของเรา ก็มไม่เห็นจะยากที่ตรงไหนนะมาสู่วัดวาศาสนาแล้วมีแต่ประกอบคุณงามความดี้ดวนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราพอตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานนำสมาฐานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพทุทธัสสะ สีเลนาเนผูติงยันติตัตมาสีลังวิโ ส, าสาทสายกลับมาเจรโรกาธิปฏิสัมปฏิกัดอัญจชลีอันทิวลังอายาจธาสันติธาสตาปราชากาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมเปีมังปะชังเอาต่อในไปตั้งใจฟังนะจะนีนะหลวงพ่อจะได้กล่าว สัมโมทนิยกถาปารบเรื่องงานเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดก่อนที่จะจะมาทานสิ่นแล้วก็เป็นวันงานกะถิ่นกะถิ น, ถนความว่ากะถินนี่เป็นมาอย่างไรคือปกปะถินพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชิตะวันมหาวิหาร มีพระกลุ่มหนึ่งเดินทางมามาและยังไม่ถึงกรุงสาวัตถีมาถึงเมืองสาเกตพอมาถึงเมืองสาเกตแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดีแต่ในใจนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านคงจะมีอะไรมีความค่ององใจในจิตในใจของพระองค์ของพระสงฆ์เหล่านาน ไปว่าในพรรษาหาความสุขไม่ได้ในการงสงบสุขเพราะว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าคงอยากจะถามปัญหาในจิตใจที่ปฏิบัติมาค้างค้างแต่มาไม่ถึงตอนี้พอออกพรรษาแล้วออกพรรษาไม่นานก็เดินเอมุ่งมั่นเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถี ไปด้วยความเปียกปอนเพราะเหตุว่าเพราะเดินทางฝนยังไม่ยังไม่จบดียังไม่สิ้นสุดแล้วดูฝนเอออย่างวันนี้แหละถามมาใครมาก็ต้องเปียกปอนไปหมดละ่ะวันนี้ท้งฝนตกแรงทางบ้านผือแถวน้ำโซนแต่ที่วัดคองเราเทวดาอารักษ์ทลายเ พ, พ่าเพ่าตกพอพอชุ่มเย็นนิดหน่อย เนี่ยอันนี้ก็คือในครั้งสมัยนั้นพระสงฆ์ก็เดินออกจากเมืองสาเกตมากราบพระพุทธเจ้าพอมากราบพระพุทธเจ้าก็มาเข้ามากราบพระพุทธเจ้ารวมพระองค์ ก, งก็แสดงธรรมโปรดพระภิกษุสามสิบรูปนั้นจากนั้นพระพุทธอพระพุทธองค์ ก, งก็ถามว่าพวกเธ อ, เ อ, อมาจากไหนมาอย่างไร สงเหล่านั้นได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจําพรรษาและมีความตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะมาให้ถึงกรุงสวัรถิมากราบพระพุทโองแต่ว่ามาไม่ถึงมาถึงที่นั่นก็ได้จำพรรษาก่อนเพราะว่าถึงเวลาวันข้อพรรษาพอดีแต่พอออกพรรษาแล้วใจก็ลําลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดจึงได้กราบเข้ามากราบรีบมามาด้วยความทุกข์ลาบาก ก็เลยกราบทูลพรกพุทธเจ้าว่าเดินทางด้วยความสบับปะบอมนะพูดง่ายๆพระองค์ก็เลยเออก็เลยบัญญัติเกี่ยวกับกรถินเอออันนี้สงแห่งกรถินอันนี้สงเรื่องกรถินเนี่ยแหะปารกพระเหล่านั้นละ่ะพระองค์ก็บัญญัติวินัยขึ้นมาแต่ก่อนก็มีแต่ผ้าบางสกุลนะบ้าผ้าบางสกุลได้เกิดก่อน เ, อเพราะว่าพระสงฆ์ในสมัยนั้น ถ้าว่าศรัทธาญาติโยมเขาถวายผ้ามาพระสงฆ์ก็ได้นาไปใช้แต่ว่าไม่มีผ้าบางทีก็เป็นผ้าคือคนสมัยนั้นถ้าว่าหนูกัดผ้าเนี่ยหนูกัดหน่อยหนึ่งเขาจะเอาไปทิ้งในป่าเขาจะไม่นั่เพราะว่าเป็นเพราะว่าหนูกัดแล้วเป็นผ้าอัปมงคลเขาจะไปทิ้งร้านค้าทั้งหลาย พระสงฆ์ก็ได้น่ยได้นําเอาผ้าเหล่านั้นที่ผ้าไปเท้งมาเย็บปะติดปะต่อเป็นผ้าจีวรของพระแล้วก็บางคนก็ไปห่อศพเวลาคนตายน่ยเขห่อศพไปก็โยนป่าช้าเพระเขาไม่เผาเลยคนสมัยนั้นเขาไปโยนให้งวนไว้ที่ป่าช้าผีดิบมีหมาจอกหมาในมีอีแรงอีก า, า, มาแมลงบกแมลงวันกินศพของคนสมัยนั้น และกันนี่พวกผ้าพวกอะไรก็ออกมาพระสงฆ์ก็ได้เอาผ้าเหล่านั้นมาเย็บมาซักแล้วก็ม า, า, มาจอมแล้วก็มาตัดเย็บเป็นผ้าจีบอลขนาดพระพุทธองค์เองท่านก็ได้เคยได้ใช้ผ้าบางสกุลของป น, นางปุณทาสีแนทะสมัยนั้นนางปุณทาสีเป็นคน เป็นทาสีของเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีนางเป็นคนรับใช้นางเนี่ยตำข้าวนะด้วยมือด้วยคกกระเดื่อง เ, อเสร็จแล้วนะนางก็ได้เอาลำลำอ่อนลำอ่อนขยำกับน้ำแล้วเอาไปปิ้งไฟเ อ, เอาไปปิ้งไฟ ให้เป็นให้เป็น่เป็นข้าวจีข้าวจีลอนางก็เน็บพกไปเน็บพกไปเพื่อจะไปกินตามทางที่ไปตักน้ำตอนนี้พอ พ, พระพธองค์เห็นอุปนิสัยของนางปุณณธาสีเนี่ยเป็นผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้เป็นผู้จิตใจงามพูดง่ายๆเป็นผู้มีจิตใจงามผู้หญิงคนนี้พระพธองค์ก็ มันคือเข้ามาในข่ายเข้ามาในข่ายคือพยานของพระพุทธเจ้าจะได้โปรดนางภุกตนนี้คนทาสีของเศรษฐีเนี่ยพระองค์ออกบินบนทาบาทกับพระอานุ์ตอนเช้านางปุณณทาสีเนี่ยก่อนเตรียมหม้อน้ําไปเพื่อจะไปตักน้ำํำตอนนี้พระอนุนพระพุทธองค์กับพระอานุ์เดิน สวนทางกับนางปุณธาสีนางปุณธาสีเห็นพระพุทธเจ้าพระอานนท์เดินถอยหลังโอ้เราก็ไม่มีอะไรเนอยจะทำบุญมีแต่ข้าวจีของเรานี่นะอยู่ในพกของเราเนบไนว้ดิอพกที่เนบไว้ที่เอวนนางก็คิดว่าโอ้ของฐานของเรานี่ต่ำต้อยเหลือเกิน พระพุทธองค์จะฉันหรือเปล่าเนาะจะจะรับได้หรือเปล่าเนาะในใจไม่มีอะไรที่จะทําบุญทําทานนะเออพระพุทธองค์ก็ชำเลืองดูพระอานนท์พระอานนท์เห็นว่าพระพุทธองค์ต้องการบาตรนะเออพอนางพระอานนท์เห็นเออพระองค์ต้องการบาตรก็ถวายบาตรกับพระพุทธองค์พระองค์ก็ได้รับบาตรจากพระอานนท์แล้วก็เดินเข้าไปสู่นางปุถุทาสีพนางปุถุทาสี ขยักขย้อนขยักขย้อนพระพุองค์จะรับหรือไม่รับนะแต่ในใจนะั่นอยากจะทําบุญอแต่พตรพุทองค์เดินเข้าไปเปิดบาทนางปุถุทาสีก็ได้เอาข้าวอยู่ในพกที่เหน็บไปนะั่นะใส่บาทพทราานะพุทธเจ้าน่ะพอใส่บาทเข้าไปแล้วก็ยังไม่ตกอีกว่าโอ้เราเนี่ยวาฒนาน้อย เ, อเป็นคนที่ต่าต้อยพระพุทธองค์รับ ข้าวจีของเราเนี่ยของอาหารของเราแต่ว่าเราเนี่ยเป็นอาหารของเราแต่เมื่อใส่บาตพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไปถึงที่ใดที่หนึ่งท่านคงจะโยนทิ้งท่านคงจะไม่ฉันให้เราเพราะอาหารของเราเป็นอาหารที่ต่ําซ้าเป็นอานทารที่ที่เร็วคงไม่สมฐานะของพระพุทธองค์ที่เป็นท่านเป็นกษัตริย์พระพุทธองค์ก็รู้วารจิตของนางปุณทาสี พระองค์ก็บอกอานนท์ปูอาสนะลงพระอานนท์ก็ปูอาชนะลงที่นั่นพระอานนท์ก็นั่งตอนนี้พระพุทธองค์กับพระอานนท์แบ่งแบ่งข้าวกันนะแบ่งขนมลำกันคนละครึ่งนะอจากนั้นพระองค์ก็ฉันครึ่งหนึ่งจะไปจะไปมากอะไรใช่ไหมล่ะพระอานนท์ก็ฉันอีกครึ่งหนึ่งพ่อพระองค์แบ่งให้พอฉันเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ลุกขึ้นกลับวัดเลย กลับวัดป่าเชตตะวันเลยแล้วไม่เดินไปทางไหนต่อนางปุณธาสีกันะเห็นพระองค์นั่งอย่จากนั้นก็นางก็นั่งประนมมือว่าพระองค์จะทําอย่างไรนะจากนั้นพระองค์ก็กลับวัดนางปุณธาสีเป็นปลื้มอย่างมากทีนี้ในจิตในใจโอ้โหเพราะพระพเจ้าท่านไม่ได้ลังเกียจเตียดสันคนทุกคนจนท่านทําด้วยความเมตตา เ, เป็นพุท ธ, ธจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับ พอนางพุทธาธีสีเนี่ยก็พอไปตักน้ำด้วยความปีติในจิตในใจของตนเองเอก็เดินมากองูเห่ามันมีเยอะนะ่อินเดียเนะ่งูเห่าก็เลยฉกนางนางก็เลยล้มลงกลยตายพ่อตายขึ้นไปไปสู่นู่นไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง เ, เหมือนกับคนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาโอ้ เราเนี่ยขึ้นมาได้อย่างไรเรามาอยู่ที่นี้ได้อย่างไรพอนึกย้อนหลังโอ้เออที่เราได้ถวายเข้าจีรำกับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอา น, อนนท์อานิสงส์การทําบุญเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอถาำไมจึงได้รับผลดีขนาดนี้หนอเนี่ยแหละนางปุณธาสีก็ ปลิ่มปีติเป็นอย่างมากพร้อมกันไปจนนางจะได้มาทำบุญต่อพระพุทธเจ้าก็ได้จะเพิดให้นางกลับขึ้นไปสู่สวรรค์นี่แหละอันนี้ก็คือพอจากนางปุณธาสีตายไปคราวนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เอาผ้าผ้าที่หอนางปุณธาสีมาแล้วก็เอามาซัก ได้ผ้ามาเลยท่านก็หาที่ซับบังเกิดเพราะมันเปื้อนมันเปือ้อ น, นร่างกายของมนุษย์ใช่มันเหม็นไปหมดพระอินทร์ก็นี่ยหิบอรมิดก้อนหินให้เป็นลานหินก้อนหนึ่งแล้วก็นิลมิดน้ําพระองค์ก็ได้ซักทําความสะอาดตรงนั้นแล้วก็ย้อมผ้าแล้วก็เป็นท้ามเป็นผ้าจีวรของพระเจ้าตัวผ้าบังสกุลแบบอุกฤษ แอแปลว่าเป็นผ้าบางสกุลที่เลิศประเสริฐได้มาจากซากศพนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาไม่ใช่ล่ำรวยนะคณะทายาทโยมลูกหลานนะพระเนนทุกองค์เพราะนั้นการที่จะใช้อะไรของเราเนี่ยต้นตระกูลของเราเนี่ยท่านไม่ลืมตัวท่านทุกถึงขนาดนั้นนะ่ะทุกจนถึงขนาดนั้นนะเอาผ้านางปุถุทาสีนะมาซัก มาตัดเย็บนท่านอาจจะทําให้เป็นตัวอย่างก็ได้เนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องพูดขึ้นมาเกี่ยวกับผ้าในครั้งพุทธกาลไม่ใช่ของหาได้ไดง่ายเหมือนทุกสมัยนี้สมัยนี้มันมีโรงงานจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่สมัยก่อนกับถอดด้วยกีกระตุก อ, อก่อนที่จะได้ผ้ามาเป็นชิ้นเป็นอันก็ไม่ใช่ของของ่ายของได้ง่ายเพราะฉะนั้น ในครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์จึงบัญญัติวินัยให้คณะสัตยาญาติโยมมีโอกาสได้ทําบุญผ้าพระกรถินแต่ผ้าบางสกุลนั้นพระพุทธองค์บัญญัติก่อนไว้แล้วถ้าเป็นผ้าประติดประต่อมาแล้วก็มาเย็บเป็นผ้าสบงจีบอลเป็นสังคาติแต่หากว่าผ้ากรถินนี่ก็เป็นผ้าที่จงใจสัตยาญาติโยมรวมกัน แล้วก็เป็นการถวายผ้าพระกทินเป็นสบงผ้าสบงคือผ้านุ่งจีวรก็คือเป็นผ้าจีวรผ้าห่มสังคาติคือผ้าห่มหนาวกันหนาวสำหรับพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้แทนก็ยังยึดถืออยู่ว่าพระสงฆ์ท้งหลายต้องมีผ้าไตรจีวรสามผืนคือสังสื่อสบงคือผ้านุ่งจีวร คือผ้าห่มสังคาติคือสองชั้นเป็นผ้ากันหนาวเรียก ว, ว่าผ้าไตรจีวรภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนแรกต้องนิจคียปาจิตติคือไม่ให้พระสงฆ์อยู่ปราศจากเรียว่าอยู่ห่างผ้าไตรสามผืนให้รักษานี่ยนี่แหคือพระพินัยของพระพุทธเจา้าท่านให้ความพิถีพิถันเรื่องผ้าเนเป็น อย่างมากทีเดียวเรื่องเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับผ้านะาคือผ้าพระสงฆ์คือเป็นผ้าผืนใหญ่แต่ก็ต้องตัดเย็บแต่ขนาดนั้นในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพอได้ผ้ามาเนี่ยท่านก็บางทีก็ไปอาบน้ำบ้างไปเปื้อนผ้าไว้เก็บไว้ข้ามยยังมาข้ามยผ้าท่านอีกได้ แปลกจริงๆสมวยสมัทสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานข้มวยกระทั่งผ้าพระตอนนี้พระองค์ก็บอกว่าอาอนเธอจะทํำยังไงถ้าว่าผ้าต้องเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้น่ะอผ้าเป็นชิ้นใหญ่มันมีคุณค่าเขาจะตัดตัดแปลงอะไรก็ได้ขอให้เธอให้เธอไปออกแบบดูซิฮออกแบบผ้าจีบอลดูซิเอ่ แต่นี้พระอานน์พระอานน์ก็ขึ้นไปบนหลังเขาเนะ่ะพระอนนก็คงจะเออเอามือไก่หน้าผากแล้วก่อแล้วเออจะออกอยังไงออกแบบบอกออกแบบพระจีวรใช่ไหมเออเออท่านก็นั่งคิดนอนคิดจนพอแรงเหมือนกันแต่วันหนึ่งท่านก็ขึ้นไปบนหลังเขาไงพอพือขึ้นไปบนหลังเขาท่านก็มองไปทางท้องนาไท้องนาชาวมะคธนะเขาทํานาเหมือนกันนะ พอเขาท้องนาเขาก็มีมีพื้นมีผืนนาแล้วก็มีคันนาพรามีคันนาเข้ามาก็มีช่องในระหว่างคันนาต่อคันนา เ, นเป็นร่องน้ําเพื่อขยายให้น้ําเขาไหลเข้าน า, ามันมีร่องน้ําเอาแล้วก็มีคันนาพระนรนก็เลยมาออกแบบเอน่าจะทําอย่างนี้นะพระนรนก็เลยมาคิดออกแบบผ้าจีวรของพระในยุคสมัยนั้นนะ นี่แหละกไ็ได้ถือมาเป็นกระทั่งทุกวันนี้ถ้าเราดูผ้าจีวรของพระแล้วนะเราจะเห็นได้ว่าอันหนึ่งคือพื้นนาพื้นนาอันหนึ่งสองคันคือเป็นสองคันนาและเป็นร่องน้ําตรงกลางในระหว่างสองคันนาสําหรับระบายน้ําเข้าสู่นานี่แหละพระอ น, นุนไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานนะท่านบอก อ, อกแบบมาตั้งสองพร้อย้าสิบปีแล้วยังนํามาใช้กระทั่งทุกวันนี้นะ และก็เป็นผ้าของพระพุทธเจ้าผ้าสีของพระพุทธเจ้าเีว่าผ้ากาสาวะพัดของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นผ้าที่นำสมัยจะเข้าพิธีกรรมพิธีการอะไรก็ตามก็ใช้ผ้าผืนเก่านั่นแหละงานศพงานมงคลงานไหนต่องานไหนพระสงฆ์ก็ใช้ผ้าผืนเกานะะ่านั่นแหละเนี่ยผ้าของพระสงฆ์เีว่าผ้ากาสาวะ กาสาวพัดผ้าที่ย้อมด้วยน้ําฝาดเนะี่ยนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของผ้าพระกฐินเรียกว่าผ้าบางสกุลให้คณะทศไทยญาติโยมทั้งหลายพระเนรลูกหลานน้องนุง่นงทั้งหลายได้ฟังนะอันนี้ก็มาในหนังสือแล้วมาในพระไตรปิฎกมาในพระวินัยของพระนะแต่วันนี้เองหลุงพ่อเองอยากจะเน้นย้ําำให้คณะทศัทาญาติโยมที่นั่งฟังหลวงพ่อเนะี่ย ที่หลวงพ่อโพูดเบื้องต้นก็คือเรื่องศีลห้านะกัเรื่องศีลวินัยของพระสงฆ์แต่หลวงพ่อเองอยากจะเน้นนับเรื่องจิตภาวนาเพราะจิตภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก่อนที่จะบัญญัติวินัยก็ดีบัญญัติเรื่องทานก็ดีพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ซะก่อนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพเมื่อพระ อ, องค์ได้ออกบวช หนีออกจากเวียงวังเป็นไปศึกษาอยู่ทั้งหปีอยู่ในป่าศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูกลองถูกรองผิดอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดได้กล่าวให้กับ พ, พวกคณะสัตยาญาติโยมได้ฟังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้วันเดือน6กเพนพระ อ, องค์ก็ได้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าอันนี้แหละคือกุญแจเรียว่าเป็นที่พระพุทธองค์จะได้จัดสรุ้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณคือจะประสบสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนานี่พระองค์พระพุทธองค์ทาอย่างนี้ในเมื่อพระองค์ทานั่งสมาธิพระองค์ไทยใจของพระองค์พระไทยของพระองค์ความรู้สึกนึกคิดของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เกิดยาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาเราลึกชาติทวนหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณ ล, ลึกชาติทวนหลังได้เกิดญาณทัตชนะนี่แหละคือความเป็นมาของพุท ธ, ธะในเมื่อได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกแผ่นนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ประกาศพระศาสนาป ร, ประกาศรำคำสอนออกมาจากนั้นพี่น้องประชาชนออกเข้ามาผู้มีศรัทธาก็เข้ามาบวช เป็นพระในพระพุทธศาสนาแต่ว่าผู้ไรบวชไม่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งยึดพระไตรสาระคมเป็นที่พึ่งแปลว่านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ส่วนผู้ที่จะออกมาบวชได้ก็ข้อออกมาบวชในพุทธศาสนาแต่ละสําหรับพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชพระองค์ก็บัญญัติ กฎระเบียบให้พระสงฆ์ปฏิบัติคือว่าสินอวไนิไนกฎระเบียบของพระสินสองร้อีก็คือปาราชิกสังฆาธิเศษจนถึง อ, อ, อาบัติชุดท้ายแต่สำหรับครวัตญาติโยมผู้มีภาระธุระอย่างคองเรือนอยู่ก็ให้มีทานคือให้มีการเสียสละเพราะพวกเราสสแสวงหาทรัพย์ อจากนั้นก็ให้มีศินก็มีสินห้าจากนั้นก็ให้มีศินอุโบสถศินแปดก็น่าจะเพียงพอเป็นเครื่องปิดอบายะอบายจะพุงคือเพียงแค่นี้แหละผู้มีศินสินเพียงแค่นี้แหละจะไม่ตกนรกแล้วจากนั้นส่วนความแนวความคิดเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายมีแนวความคิดอีกส่วนหนึ่ง อ, อยากจะให้พวกเธอทั้งหลายมีไม่ใช่แต่เพียงแต่ ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นนะอให้แนวความคิดก็คือทําให้จิตใจเพราะเรื่องทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันออกมาจากใจคือตัวเพรรู้คือนามธรรมให้ตัวนั้นละ่ะให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องนามธรรมคือตัวจิตตัวใจนี่แหละเพราะเรื่องทั้งทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากจิตใจคือนามธรรมทั้งนั้นเพราะนั้นให้พวกท่านศึกษา แต่ทั้งพวพระพุทธองค์ก็บอกแนะแนวทางในการจะกระทําอย่างไรที่จะให้เห็นจะได้จับจิตจับใจตัวนั้นได้เนี่ยนแะพระองค์ก็ได้สึกฝึกเรื่องสมาธิ เ, เรื่องสมาธิพระองค์ก็ให้แนวทางทั้งสี่สิบอย่างกรรมฐานสี่สิบอันนี้พอประมาณไม่ใช่ว่าจะเอาเพียงเท่านี้ยังมีอีกยังมากกว่านี้อีก วิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบแต่พอมาพูดถึงจุดนี้เราก็อยากจะมาพรัฒร์คําสอนของพระพุทธเจ้าเ อ, อถ้าพูดไปแล้วก็กว้างขวางในจุดนั้นแต่เราอยากจะนํำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านได้ศึกษาแนวปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามาแล้วท่านนํามาประพฤติปฏิบัติท่านได้ผลอย่างไร ในเร็ววันนี่แหละให้ใกล้ๆพวกเราเนี่ยท่านก็แนะนําสั่งสอนแล้วก็ท่านปฏิบัติได้ผลอย่างไรท่านก็มาบอกกล่าวสิทธิอนุสิทธิ์อย่างพวกเพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เป็นสิทธิหลวงปู่มันพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายก็ได้มาแนะนําสั่งสอนพวกเราอย่างหลวงพ่อนี่แนหะละหลวงพ่อเมื่อได้รับการแนะนําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นว่าเออมีประโยชน์ เนีเป็นหนทางที่ดีหลวงพ่อจะมาแนะนําให้คณะสิทธิ์คณะศรัทธาญาติโยมพระเนนลูกหลานน้องนุง่นงทางหลายให้ได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราถึงยังไงได้ฟังได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วก็จริงแต่พวกเราหลวงพ่อไดเอามาขยายมาพูดให้พวกเราย้ําไปอกีกเพื่อความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติแปล ว, ว่าพวกเราจะไม่หลงหลงทางนี่แหละ คือการได้ยินต่อหลายครั้งต่อหลายหนวิธีการหรือว่าแนวทางในการประพูธปฏิบัติมันไม่ใช่อยู่อยู่จุดใดจุดหนึ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันอยู่กับทุกคนแต่หลวงพ่อพูดไปนี้ก็เถอะนะบางทีอาจจะยังคนหนึ่งอาจจะเข้าใจใช่ได้ถูกต้องแต่คนหนึ่งอี ก, กยังยังไม่ได้เพราะเหตุหลายเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช sa ่ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงองค์เดียวแล้วก็จะได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลไม่ใช่อย่างพระอานนท์บวชกับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อท่านได้สาเร็จพระโสดาบันบรรไดขั้งแรกเนี่ยท่านได้สําเร็จกับพระมันตดีบุตรนะเพราะพระมันตณีบุตรแสดงธรรมพระอานนท์ก็ตั้งใจฟังท่านได้สําเร็จพระโสดาบันกับพระมันตณีนะนี่แหละอันนี้ก็คือแต่ละพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่า องค์หนึ่งแสดงธรรมขึ้นมาเข้าใจแต่องค์หนึ่งแสดงธรรมถึงจะสูงส่งขนาดไหนก็เถอะไม่เข้าใจเอออันนี้ละ่ะความเข้าใจจุดนี้ลหละเออใครว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในการฝังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงหาวิธีการที่จะว่าเข้าใจได้ง่ายเออใครว่าพูดเข้ามาให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายเมื่อฟังเขาแล้วเข้าใจเออไม่มีสั์ไม่มีแสงไม่มีอ克拉บาลี พยายามพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังวิธีการประพฤติปฏิบัติทาอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปู่ลงตาของเรานะท่านไม่ได้เน้นหนักท่านให้กําหนดลมหายใจเนี่ยนะเป็นหลักแต่บางคนอาจจะทําอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านแนะนำสั่งสอน จะเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามทีหลวงพ่อได้เข้าไปศึกษาเข้าไปฟังท่านจะเน้นหนักเรื่องพุโทโธอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ฟัน่นเอหลวงปู่ฟั่นในท่านเน้นเรื่องพุโทโธมาถึงองค์หลวงตามหาบัวนี่ก็เอะแต่หลวงปู่ล่าท่านก็จะบอกพุโทโธอีกเหมือนกันอแต่เรื่องบริกรรมเกิดดับก็ได้เกิดอย่างหายเกิดหายใจไปว่าเกิ ด, ห า, ากดหายใจออกไปว่าดับเกิดดับ ให้เห็นอันนี้จังไงหลวงปู่ลาธานก็บอกอย่างกันแต่ว่าตึงยังไงท่านก็ว่าเวลาเดินขาขวาพดขาซ้ายถทโถพดโถเป็นหลักเยแต่องค์หลวงตามหาบัวเเด็กท่านบอกว่าสมัยก่อนเมื่อท่านเรียนหนังสือท่านในภาวนาครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกไว้กําหนดลมหายใจทําเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้าหายใจเขาาจออ้าหายใจออกรู้หายใจออก องหลวงตาได้ท่านก็นําแนวธรรมแนวธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพผลในสุดท่านบอกว่ามันเสื่อมมันหลุดมันเผลอได้เลยหลวงปู่มั่นบอกว่าอาให้ภาวนาพุทโธนะมาหานะกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโยดพุทโธนะแต่องคหลวงตาท่านก็บอกว่าท่านก็ยึดพุทโธอย่างที่องค์หลวงปู่มัน่นบอกแนะนําท่านก็ได้ผลจิตใจเข้าสู่ความสงบ แนวนิ่งได้นี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวสืบทอดกันมานานเท่านานเพราะนั้นมาถึงยุคของเราหลวงพ่อเองก็อยากแนะนำพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมโลูกหลานทุกคนที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานอะท่านแนะนาสั่งสอนเรื่องภาวนาเรื่องสมสถะและเนี่ยกหนดลมหายใจเข้าพุธ หายใจออกโถเวลาก้าวเดินเราก้าวเดินเราขยับเราขาขวาพุธขาซ้ายโทไม่ต้องกําหนดลมนะเวลขาขณะที่เดินมันจะสับสนให้กําหนดลงที่ขาก้าวเดินขาขวาพุธขาซ้ายโถแต่มือใหอ้ประสานกันที่ท้องน้อยอย่าไปก้อยแขนจะไปกอดอกอย่าไปมือควยหลังเวลาเดินจงกลม อันนี้ก็คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนวิธีการเดินวิธีการนั่งค่ะนั่งอย่างพระประธานที่พวกเราเห็นอยู่เดี๋ยวเนี้ยนี่แหละนั่งอย่างนี้หละ่ะกําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทพดโทพดโทเอ๊แต่ว่าตามไม่จริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าการที่จะภาวนาเนี่ยต้องตั้งจิตอธิษฐานเขาว่าอธิษฐานคํานี้นะ่ยคือตั้งจิตอธิษฐาน อธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นนะคณะทศฐาญาจโจรไม่ใช่อื่นไกลคือให้ตั้งใจให้มั่นในขณะที่จะภาวนาไม่ทําไม่ใช่ไปทําทใจให้หล่อๆเลยและเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยภาวนาพุโทโธพุโทโธหรือสองสามคำกับหลับกอกหรือภาวนาพุโทโธสองสามคำหรือเออไปทางไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่อย่างานั้นเราต้องจิตตั้งจิตให้ถึงข้าวไปเจ้าจะพยายามให้จิตอยู่ของข้าวไปเจ้า อยู่กับพุโทโธอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นขณะนี้นะคือไม่ตั้งจิตอธิษฐานนะคือตั้งใจมั่นให้สติอยู่กับปลายจมูกของตนเองแล้วก็บริกรรม เ, เวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่ให้จิตใจคิดวกักวกวักไปทางอื่นให้อยู่กับพุโทโธที่ปลายจมูกเท่านั้นในเมื่อจิตใจหรือสมาธิของเรา ใจของเรามีความตั้งมั่นมีเอออยากจะให้ใจของเราอยู่ในกรรมฐานทุตที่ปลายจมูกนั่นแหละเออเราพยายามนั่งให้นานแต่โดยมากมันจะกิเลสมันจะเอ๊ะเอมันจะทะเลถลายเข้ามาง่ายๆเองการงานของเราวันพุ่งนี่เราจะต้องทํางานอาจจะพักพ่อนไม่เพียงพอเออะไรต่อเมื่อะไรมันมาหลมมาตุ้มเข้ามานะ่ะแต่เวลาเราไปนั่ง ดูละครวิทยุเราไปนั่งดูโทรทัศน์นั่งปากบ๊ออยู่จังนุนนาน่ะกิเลสมันชอบไะเอมันจะนั่งได้นานแต่ถ้าว่าพอนั่งสมาธิเนี่ยเอมันจะเข้าไปมัจะตีท่านนู้นตีท่านนี้เอาเถอะข้าพเจ้าหาเวลาให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงวันนี้ถ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่ลุกไม่ขยับตัวจากนั้นก็เนี่ย บังคับตัวเองไม่ๆหมนะต้องบังคับอย่างนั้นนะ <S <S แล้วจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทไม่ให้มันใจมันคิดโปรงฟุ้งไปทางอื่นจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบนะเน่งเทอในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นสมาธิดีแล้วแต่บางคนอย่างเมื่อไม่ไม่นานมาเนี่ยพี่น้องชาวอินโด มากราบหลวงพอ่อเพราหลวงพ่อไปอินโดครั้งหนึ่งนะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อกลไปแนะนําสั่งสอนนะอ่ะกับไปพูดอย่างเนี้ยแต่ก็ให้พระที่ท่านรู้ภาษาอธิบายให้เขาฟังแต่หลวงพ่อพ่อก็ไม่รู้ว่าเขาอธิบายยังไงที่หลวงพ่อพูดเรื่องพิธีการปฏิบัติเอพอได้สวดหลวงพ่อไปได้เจ็วันหลวงพ่อก็กลับมาปีนี้น ะ, เ, ะเขาบอกเขาภาวนาเอเขาได้ ศึกษากับพระที่เบตบ้างพระพระพมา่าบ้างพระศรีรังกาพระญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันพระพระไทยองค์ไหนก็ไปแสดงแสดงเทศแสดงธรรมให้เขาฟังถ้าได้เขาก็ไม่รู้จะจับเอาตรงไหนอย่างไรเนี่ยบางองค์ก็ภาวนาเข้าไปพอจิตใจรวมสงบนิ่งลงไปมมนจะเกิดติมิตรหรือเรียกว่าส่งพอถอนขึ้นมาให้ส่งไปดู บางทีกับเห็นเทวบุตรเทวเห็นเท ว, วดาอินพรมเข้ามาในนิมิตนั้นจะได้ก็ให้ดูดูดูตามนิมิตนั้นให้ส่งออกไปดูตามนิมิตนั้นตอนได้พอดูเข้าไปโอ้เหมือนกับเหมือนกับดูการฉายหนังเท่นียไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยดูม้วนนี้แหละดูม้วนนั้นดูม้วนนั้นดูม้วนนั้น นั่งเพลินไปทั้งวันทั้งคืนเพ้อเพลิดผลในที่สุดพอดูไปแล้วสําคัญตัวเองขึ้นมาพิเศษเลยนะโอ้เราเห็น เ, เทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมเลิศประเสริฐกว่าใครทั้งหมดเราภาวนาเลยคนอื่นไม่เห็นเหมือนเราเร า, เ, าเป็นผู้เห็นเรื่อง เ, อเทวบุตรเท ว, วดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ยกตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งฮลืมตัวทนะ่าน นี่แหละตัวที่ลืมตัวนี่ตัวนี้แหละศรัทธาญาติโยมนะเอทําให้เป็นบ้าได้ไง่ายๆได้ท่านี่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวที่ที่หลงพ่อได้เข้าไปศึกษาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเมื่อจิตออกไปข้างนอกไปเห็นเทวปุตเทวดาอินพรมเห็นอะไรก็ตามเห็นนิมิตเอ่อเป็นเทวดาอะไรก็ตามอย่าไปตามอย่าไปดูนะ เออเพราะเราเข้าไปเข้าไปศึกษาใหม่เข้าไปภาวนาใหม่อย่าไปอย่าตามไปดูนะถ้าตามตามไปดูมันเป็นบ้านะหลงนิมิตนะเ อ, อมันคิมิตมันเป็นเครื่องหลอกนะมันไม่ใช่ของจริงนะแต่บางครั้งก็จริงอยู่แต่บางครั้งมันหลอกเอออย่าไปตามดูนะเวลามันเห็นนิมิตอย่างนั้นให้กลับมาหากรรมฐานเดิมกำหนดลมเรากำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทขณะที่เห็น อย่างนิมิตยอย่างนั้นมันจะหายเงียบไปเหมือนกับนอนหลับ เ, เพราะมันเป็น จ, จิตใจมันเข้าสู่ความสงบมันอิดเป็นอีดมิติหนึ่งในช่วงนั้นให้กลับมาหากรรมฐานเดิมนะในเมื่อกลับมาหากรรมฐานเดิมนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเองเหมือนกับปิดทิ้งเลยให้อยู่กับกรรมฐานอย่าไปตามดูนะ เ, เพอเราฝึกหัดใหม่แต่ว่าเราฝึกหัดไปนมนานเป็นหลายปีแล้วชำนิชนาญในการเข้าสมาธิออกจากสมาธิ ในการดูจิตดูใจของตัวเองแล้วจะดูก็ไม่ว่ากันเพอเราทับทิชมานแล้วแต่ไม่ใหม่ระอหยานะลืมตัวนะเป็นบ้านได้ง่ายๆนะอันนี้ก็คือฝังเอาไว้นะขณัติทาย ญ, ญาติโยมลูกหลานวิธีการนั่งภาวนาถ้าพอเหตุเช่นนั้นใครย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้กับมาหากรรมฐานเดิมที่เราตั้งต้นที่แรกเร า, เราภาวนาพุทโธกับมาหากรรมฐานนี่แหละนิมิตเหล่านั้นมันจะหายนะ เมื่อมันจะหายเหมือนปิดทิ้งเลยล่ะแต่ทีนี้จะทำยังไงเมื่อภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ให้เห็นไม่ให้มันออกไปให้สติอยู่กับจิตจิตเป็นอันใดดูสติจากนั้นมันจะรวมลงเป็นหนึ่งมันรวมเขานี่มันจะรวมไม่ใช่รวมแบบเห็นนิมิตนะมันรวมเน่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตกับสติเป็ น, นหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละ ครูบาอาจารย์อยากท่านจจะให้เห็นอย่างนี้คือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่ให้ไปไปที่อื่นให้ดูนิง่งอยู่ตัวเองเออพอเน่งเข้าไปคลายกับใจแต่มันจะไม่สัมผัสกันนะทีนี้ในขณะนั้นฟ้าร้องฝนตกอะไรก็ตามร่างกายไม่ได้ยินเพราะจิตใจไม่ได้สกออกมาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายใจเป็นของใจเป็นอิสระของใจใจก็คือใจคือโซเฟอร์ออกมาจากรถ หรือถึงจะนั่งอยู่ในรถก็เถอะไม่รับรู้รับทราบเรื่องรถเป็นเอกเทศเป็นส่วนหนึ่งไม่รับรู้ทางทางรถ เ, เหมือนกันเรานอนหลับเหมือนกันนอนหลับในรถลักษณะอย่างนั้นแหล อ, อรถมันจะติดชึงชึงชงัชงชังอยู่อะไรก็ตามแต่ใจของเราไม่ได้ออกไปไม่รับรู้ในเรื่องของรถมันอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้แหละคือสมาธิที่เป็นอัปปนาน จากนั้นเมื่อถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วาบางทีก็อยู่ได้นานบางทีก็อยู่ได้ไม่ได้นานในสมาธิจุดนี้นะแต่บางคนผู้ที่ชำนิชำนานนั่งสมาธิะจะนั่งอยู่ได้นานขนาดไหนก็ได้เข้าอยู่ในสมาธิจุดนี้จากนั้นก็ถอนออกมาจากสมาธิแล้วก็นำมาพิจรารณาแต่ทาไม่ถอนไม่ออกนะคณะัตธาธิย่โยมพระเนรลูกหลานนะต้องบังคับนะจุดนี้นะ ก่อนที่จะออกจากสมาธิจุดนี้นะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันติดสุขมีความสุขมากมีความเย็นสบายมีความสุขจริงๆเออยู่ในสมาธิตรงนี้แต่ต้องแต่ถ้าว่าเราจะเข้าไปมันก็จะมาเข้าไปจุดนี้อีกอย่างเก่ามาสมาธิมันเน่งเพราะนั้นท่านให้ เ, เมื่อมันสงบพอสมควรแล้วบังคับให้ออกนะตัวบังคับให้ออกตัวนี้แหละให้มาพิจารณ า, นาน ถึงร่างกายสังขารพิจารณาถึงความตายกําหนดดูกตายข้าพรเจ้าต้องตายแน่นะ่ะเห็นไหมคนอื่นเขาตายตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่เอมตัวเองก็ต้องเหมือนเขาได้แหละอันนี้ก็คือกําหนดดูความตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายของคู่ขนทั้งหลายให้เห็นเห็นความตายคือมรณะภัยของชีวิตทุกคนจะต้องถึงจุดจุดนั้นแล้วก็พิจารณาถึงเ อ, อสุภะ เพื่อนมาถึงธาตุสี่ร่างกายของเรามีธาตุสีนะอันนี้ใครเคยเอาใจเนะตัวจิตใจที่ผ่านความสงบแล้วนั่นอะ่ะเอาตัวนั้นละ่ะนำมาพิจารณาดูร่างกายของเราเป็นธาตุสี่นะดินคือเออคือกระดกูกสิ่งที่มันของแข็งคือกระดูกเครื่องผมอย่างนี้นเออได้บอกเนื้อหนังของเรากับเป็นบางส่วนที่เป็นธาตุดินดินอยู่ในร่างกายคือดินน้าคือน้าปัสสาวะน้าเลือด อน้ำตาอย่างนี้มีน้ําอยู่ในร่างกายน้ําไหนก็ตามอันนี้ก็คือธาตุน้ําเอดินน้ำํำลมลาดลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องล ม, ลมในลำไส้ยุลมอยู่ในตัวของเราเอันนี้คือลมแต่ว่าธาตุลมแล้วก็ไฟคือธาตุไฟ อ, อยู่ในร่างกายของเราคือเผาอาหารให้ย่อยทําให้เหงื่อออกเนีที่ร่างกายให้มันร้อนเนี่ย คือาธาตุไฟอยู่ในร่างกายถ้าหากว่ า, าธาตุไฟดับนะาธาตุไฟดับโตเย็นตัวของเราเย็นเสียบนะเออแปลว่าตายถ้าลมหมดก็าตายเอ่อถ้าน้ําหมดก็าตายมันมีแต่าธาตุดินาธาตุดินเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานฮะเออคือธาตุดินเป็นเป็นพื้นเป็นที่รองรับของดินน้ํำลมฮะเพราะฉะนั้น ให้พิจารณาถึงธาตุสี่คือดินปฐวีคือธาตุดินอาโปคือธาต้น้าวายโยคือธาตุลมเตโชคือธาตุไฟในร่างกายของเรามีธาตุสีนะใช่ไหมใจใจจ่ได้รับความสงบมาแล้วใจก็รู้แต่ใจแหมธาตุสีจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะจากนั้นพิจารณาอสุภะไนร่างกายของเราเนี่ย ทางที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกม้าหมวใจตับผังปืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเรามีอาการสามสิบสองรวมกันอยู่แต่มาแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปทลกหนังออกไปชลาแหละเนื้อออกไปเอาเอาเอ็นออกไปเอา ผมออกไปเอาขนออกไปเอาเล็บออกไปแยกเป็นกองกองร่างกายของเรานี่อาการ32มสิบสอนะถ้ามันแยกกันแล้วนั่นคือเป็นช่วงหนึ่งมันไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมจากนั้นก็พิจารณาถึงกระดูกในโครงสร้างในร่างกายของเราเนี่เป็นกระดูกใช่ไหมเป็นโครงสร้างกระโหลกศีรษะกระโหลกคอกระโหลขากรรไกรกระดูกขากรรไกรกระดูกฟันกระดูกหายปารากระดูก หลายกระดูกแขนซ้ายแขนขวากระดูกนิ้วมือเอกระดูกข้อมือแล้วกระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังกระโหลกเฉพาะกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าทั้งสองข้างซ้ายขวาอันนี้ก็คือพิจารณากระดูกในรร่างกายของเราเป็นโครงกระดูกใช่ไหมใจคือใจที่ผ่านความสงบมาแล้วนั้นใจจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเรามีโครงกระดูกเออเป็น เป็นที่ยับยั้งทว่าไม่มีโครงกระดูกถอดกระดูกออกซ่านมีแต่เนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกับเหมือนกับถุงกระถุงที่ใส่อะไรเท่านั้นแหละเหมือนกับถุงอะไรที่มันไม่มีอะไรมีแต่น้ำกองอยู่กับพื้นมันไม่มีกระดูกแต่ร่างกายของเรามีกระดูกเดินไปมาเดินไปไหนมาไหนได้เพราะมีกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหมใจใจที่ได้รับความ สงบมาแล้วนะ่นมันก็ยอมรับว่าใช่จากนั้นเมื่อพิจารณาถึงโครงกระดูกก็ตามพิจารณาถึงอสุภพร่างกายสังขารแยกส่วนแบ่งส่วนก็ตามพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ตามพิจารณาถึงมรณะคือความตายก็ตามเมื่อพิจารณาจบแล้วมันจะย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนะท่านี่เนื้อใจนี่แหละ เคยเห็นไหมร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องแยกจากเราแน่ๆในะใจนะเมื่อใจผ่านความสงบแล้วมันจะเห็นชัดกายกับใจใจกับกายมันเห็นชัดเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นแ่ะพี่น้องลูกหลานสาัทยาญาิโยมในจากนั้นมากระลอกว่าพิจารณาตัวภูรูใจ ใ, ใจของเรานะโซเฟอร์นะอย่าไปหลงนะร่างกายอีกสักวันหนึ่งนะ มันไม่ใช่ตัวตนของเรานะมันจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟนะเออมันไม่ใช่ของเรานะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราของอย่างอื่นละ่ะเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักิ์ล่ะวัดวาศาสน า, าละ่ะเอออย่างวัดของหลวงพ่อเนี่ยวัดใหญ่ขนาดนี้ศรัทธาญาติโยมมามากขนาดนี้ขนาดร่างกายหลวงพ่ออินยังไม่ใช่หลวงพ่ออินเราจะไปยึดถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของหลวงพ่ออินได้อยู่เหรือใช่ไหมหลวงพ่ออิน หลวงพ่ออินเมื่อได้พิจารณาจิตใจผ่านความสงบแล้วหลวงพ่ออินก็ยอมรับชายมันไม่ใช่ตัวตวนของเราหรอกอันนั้นก็เป็นเพียงแต่ปัจจัยอาศัยช่วงครั้งช่วงเขาววางตัวให้ถูกว่าเราจะใช้ยังไงเราจะทํำยังไงท่านเองเอจะเป็นเนื้อเป็นหนังเราจะเอาไปด้วยไปได้เละทิ้งทั้งหมดอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าฮะนี่แหละเมื่อเรามาพิจารณาถึงตัวนี้แหละแต่นี่มันเขามาหาตัวผู้รู้คือใจ เมื่อเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราอย่าเป็นหลงนะเอดูใจเถอะพอกําหนดลมหายใจมีสติเข้ามาจุดนี้แหละที่หลงตามหาบวัวธนว่ามหาสติมหาปัญญามหาสติคือไม่เผลอเลยแล้วก็ปัญญาปัญญาอัตโนมัติไม่เผลออีกเหมือนกันจาะเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจก็จะเห็นตัวผู้รู้คือใจของของเราดินดวงเด็กดูงเด็กดูเด็กดูเด็กดูงเด็กเ่านทเออ มันจะจะคิดออกไปคิดเรื่องดีคิดเรื่องชั่วคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นตอนนี้มันพอเห็นเข้ามาเนี่ยนี่แหละพอจอเข้ามาจุดนี้เนะตัวนี้แหละเป็นอนิจจังจนตัวอนิจจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา ป, ปฏิเสธกระทั่งใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมจุดนี้นะปฏิเสธไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ความสําคัญเพราะมันเห็นดุกเด็กดุกเด็ก เราจะไปถือให้ความสําคัญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นปฏิเสธว่าใจอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้ว เ, เมื่อปฏิเสธถึงขนาดนั้นเราจะได้อะไรมันสิ่งที่เหมือนกับเราเรียนหนังสือนะคะานตะตาญาติโยมพระเนรลูกหลานแต่ก่อนเราไม่รู้ออกอไก่และ a b c d ถ้าพอเราเรียนรู้แล้วนะ่ะเราก็รู้แหละความไม่รู้มันหายไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะ่ะ ตัวกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็หายละเลงละลายหายไปความบริสุทธิ์หลุดพน้นอยู่ในจิตใจของเราความไม่ยึดมั่นถือมั่นความบริสุทธิเ์เนี่แหละจุดนั้นแหะมันเกิดขึ้นมาเป็นมิติอีกมิติหนึ่งในความบริสุทธิ์นั้นนี่แหละอันนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมของหลักในหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ให้ใช่แต่ว่าให้ทานรักษาศีลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ ท่านให้เนี่ยจุดใหญ่คือจุดสําคัญในหลักของพุทธศาสนาคือเรื่องจิตภาวนาที่จะทําชําระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแต่มาถึงจุดนี้ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะบางคนนะคณะทาญาติโยมบางที่กตุปัตตุเปโทลักธุเลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้เบื้องต้นปาลบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพี่น้องชาวอินโดนอสอง สามีภรรยาลูกก็มาหาหลวงพ่อเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาว่าเขาภาวนาเข้าไปแล้วจิตใจของเขาสงบพอสงบเข้าไปมันเป็นอีกมิติหนึ่งเขาว่างนันนะเหมือนกับอยู่ข้างหลังตัวเอง เ, อเหมือนกับเสียงแสงสว่างมีความสุขมากในการจิตสงบนั้นะอมองเห็นร่างกายของตัวเองเป็นอีกร่างกายหนึ่งตัวเองอยู่อีกอยู่อีกแบบหนึ่งอยู่อีกมิติหนึ่ง มีความสุขเอแต่คนที่เห็นร่างกายของตนเองเนี่ยเขาว่าตัวเองเนี่ยขอพับพอขอพับเสร็จแล้วอ้อันนี้มันตายแล้วเองเขาว่านอ่ะออมันตายจากนั้นเขาก็เอาหมอหมอก็คงจะมือแถวนะั่นเอาเครื่องมามาดูหมอก็รับรบองว่าตายแล้วทีคนคนนี้ตายแล้ ว, ลวพอตายเจอแล้วเขาเขาก็เอาไปห้องดับจิตทิมวันนะเอไปห้องดับจิต ตอนนี้เขาก็เลยโทรไปหาญาติว่าเนี้ผู้หญิงคนเนี้ยเอามานั่งอยู่ที่นี่มานั่งพอนานตายเขาเนะเอสลบไปแล้วตายพวกญาติพี่น้องก็เลยปารอเป ร, ลปรเลปโสปรปเสมาตายได้ยังไงเออเขาก็เลยเอาออกมาจากห้องดับจิตนะพอออกห้องจับจิตออกมาอยู่เออจากนั้นก็ฟื้นคืนมาอีกเออฟื้นคืนมาเออ เขาบอกว่าเขาไปเพียงแป๊บเดียวจิตสงบเพียงแป๊บเดียวแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาว่าตั้งแต่สรบออกไปเนจนมามาถึงฟื้นขึ้นมาเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเขาว่านะไม่ใช่ธรรมาดามกันนะขณะไปอยู่สวรรค์ให้เขาว่าจิตที่ไปสู่สวรรค์มันแป๊บเดียวแต่ว่าร่างกายอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยห้าสี่ห้าชั่วโมงเออทีนี้ก็ฟื้นคืนมากลัวแหะทีนี้เอ๊ะถาว่า ถ้าไม่มีใครรู้พี่น้องไม่รู้เนี่ย เ, เขาคงจะเอาไปเผาไปไปถ้าเป็นเมืองไทยคงจะสีโฟโมอรินหลวงพ่อว่านะอัน น, น, น, น, นี้อยู่ในอินโดเขาคงจะเขาจะไปเพราะศาสนาของเขาเขาจะเอาไปเผาเร็วๆไปฝังเร็วๆคงจะไปฝังแนะ่ะเออทีนี้เขากนนั่งอีกครั้งที่สองอีกนานเหมันก็นั่งอีกเขาก็กลัวจนในใจเพราะเป็นอีกครั้งที่สองเองเขาก็เลยไม่มั่นใจเลยทีเดยเขากลัวตายอีกอย่างเก่าฮะ อันนี้หละคือพอเฟลานั่งภาวน า, เ, าเสร็จแล้วเขาก็นี่นะพอจิตสงบเข้าไปมันก็อีกเป็นอีกมิติหนึ่งอีกอย่างที่ว่านะามันสงบแต่หลวงพ่อเองเอหมออินโดนีเซียเนี่ยมันจะตรวจยังไงมันจะหายจริงๆหรือลมเ่ยหรือว่าที่ประจดในหัวใจมันอาจจะเต้นเ บ, นเบาๆแผ่วๆนะ ออแต่หมอไม่สังเกตจริงๆก็คงจะว่าตา ย, ยแหละตามไม่จริงก็ไ ม, ไม่น่าไม่น่าจะหมดถึงขนาดนั้นถ้าหมดขนาดนั้นก็มันก็ตายเดี๋ยมันจะฟื้นได้อย่างไงคนตายตั้งสีห้าชั่วโมงใช่ไหมละ่ะตามตามความเห็นของหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อมาพูดภาษาเขาไม่ได้ก็ไม่ได้ซักไซต์ละเอียงในรายละเอียดทั้งจุดนั้นมีแต่ว่าให้เขาถามขึ้นมาแล้วก็ให้คนหนึ่งแปลหลวงพ่ออธิบายให้ฟัง หลวงพ่อบอกว่าวิธีการที่จะคุณจะปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนได้บอกได้แต่คุณต้องปฏิบัติแนตะ่ถ้าคุณทำยึดแนวแถวสายปฏิปทาอื่นอยู่เนะี่ยคุณอาจไม่เชื่อเราถ้าเมื่อไม่เชื่อเราก็ไม่เกิดประโยชน์ที่จะสอนแต่ถ้าว่าคุณเชื่อเราเนี่ยนะปฏิบัติอย่างที่เราตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาจจอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อมั่นใจคุณจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อจิตผ่านเข้าสู่ความสงบแล้วนำมาพิจารณาออคือให้สงบจริงๆไม่ให้ เ, หเป็นไม่ให้เห็นเป็นนิมิตอันนี้คุณสลับไปทางนิมิตมันไปเหตุออกไปทางนิมิตไปเห็นออกไปคือว่าจิตใจของตัวเองมีความสุขเย็นสบายแสงแสงสว่างในขณะที่นั่งภาวนานะในช่วงนั้นนี่แหละ คุณเมื่อเห็นอย่างนั้นคุณอย่ไปตามให้กลับมาหาก ร, รมฐานเดิมมหากรรมฐานคือพุทโธเนี่ยให้ยึดพุทโธอีกคอยึดพุทโธเป็นหลักพอมันจะแลบออกไปกลับมาหาพุทโธอกีกเอาหลายครั้งต่อหลายหนจนจิตเข้าสู่ความสุขจิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นอย่างที่ว่าจากนั้นนำมาพิจรารณาเขาว่าเขาพิจารณาอยู่เขาพิจารณาร่างกายของเขาเนี่ยมันเป็นผุยผงเป็นขี้เท่าไปเลยเขาว่านะ อ, อพิจารณาจนเป็นขี้เท่าไปเลยจนไปเห็นเป็นเม็ดในขี้เท่าอีกต่างหากขวานนะคงจะว่าพระธาตุแต่ลมั่งแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ถามจุดนั้นอีกเหมือนกันแต่หลวงพ่อเออเมื่อพิจารณาถึงขนาดนะั้นเป็นขี้เท่าขนาดนะั้นน่ะคุณทนะําอะไรไม่รู้จะไปยังไงนั่นแหละใครเป็นคนไปพิจารณาให้เป็นขี้เท่ามันมีใจนะตัวผู้รู้นะ่ะใครเป็นคนไปคิดว่ามันเป็นขี้เท่านั่นอนะ่ะย้อนมาหาตัวนี้นะย้อนมหาตัวผู้รู้คือใจ ในเมื่อย้อนมหาตัวนี้เนี่ยตัวนี้หลับไปหลงตัวนั้นไปหลงร่างกายตัวเองไปหลงในธาตุสีดินน้ำลมไปไปให้ความสําคัญเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ในใจทั้งหมดเมื่อย้อนมหาตัวใจนะเห็เมื่อย้อนมหาตัวผู้ใจนะั้นมันจะเห็นใจของตัวเองเห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตานี่นะปล่อยวางที่ใจนะถ้าว่าคุณปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าไม่หลงทางนะอันนี้คือแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว วัะนั้นขอวันนี้ก็ใส่สาธกในแนวปฏิปทาหรือ ว, ว่าแนวปฏิบัติสำหรับจิตภาวนาให้คณะสัทธาญาิโยมได้ฟังได้ศึกษานะได้ฟังได้ศึกษาเพราะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนเรื่องจิตภาวนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนั้นมีน้อยลงไปแล้วก็พร้อมกัน โดยมากครูบาอาจารย์แนะนำก็โดยมากจะส่งเสริมไปทางอภิเนหานอยากให้มีอภิเนหานอย่างนู้นอย่างนี้เหาะเหินเดินฟ้าได้รู้จักอดีตอนาคตรู้จักความเกิดความเสื่อมอความร่าความรวยความอะไรต่อมีอะไรแต่ตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าเราเปฏิบัติได้จริงจังแล้วเป็นหลักเป็นตัวของตัวแล้วนะ อันนั้นมันเป็นไปเองแต่ผู้ปรับมาจะจะไปกระโดโดโลดเต้นออกไปจุดนั้นเลยเสียหายไม่ใช่แนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์เสียหายเป็นบา้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านน ะ, ะนักศึกษาญาติโยมทุกคนนะเรื่องจิตภาวนาเนี่ยถ้าจะตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองมั่นใจนะมั่นใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยสายหลวงปู่มั่นเนี่ยแนะนํา ลูกศิษย์ลูกหาในทางที่ไม่ให้หลงตัวไม่ให้ลืมตนเอให้รู้เท่ารู้ทันเออย่าไปชอบอภิเณหานถ้ามันอภิเณหันทางว่าเรามีบุญวาสนาบา ร, รมีบุญหนักมาตะกอดพุ่นหนักสักใหญ่เราเคยบําเพ็ญมาแล้วมันเป็นไปเองเอแต่ถึงยังไงเราจะไปในขณะที่เราเขียนกอไก่ยังไม่เป็นเอเราจะไปเรียนฮ ขั้นข้ามขั้นไปถึงที่จะจะรู้แจ้งเห็นจริงจน จ, จะมีพิเนหารที่ขนาดนั้นก็ไม่นอาจจะถูกเหมือนกันนะเพราะน้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะพวกพระลูกพนันธุ์คณะสัตยาญาติโยมทุกคนให้ให้ฟังเอาไว้เป็นแนวทาง เ, เป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเอให้ฟังเอาไว้นะอฟังเอาไว้ไม่ใช่จะเสียหายอะไรถ้าฟังเอาไว้แล้วเออปฏิบัติดูแล้วมันเป็นยัไงไกง เออมันเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ถอยกลับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคือเอาปฏิบัติดูเออพอเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเออการแแนะนําสั่งสอนแต่ในครั้งพระพุทธเจ้ า, ทาแท้ๆนะพระพุทธเจ้าบรมครูพระหันตสาวกอย่างภาษาลิบุตรแนะนําลูกศิษย์ของตัวเองแนะนํากรรมฐานให้ลูกศิษย์ของตัวเองยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจนอ่อนยอมแพ้ว่าเออลูกศิษย์ของเราเนี่ย แอบเป็นยังไงเราก็ให้ความให้กรรมฐานอย่างสุดซึ้งจริงๆแต่มันก็ไม่ยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจนเอาลูกศิษย์ของตอนเองไปกราบพระพุทธเจ้าเอไปกราบพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าสาเรบุตรลูกศิษย์ของท่านองค์นี้มิใช่วิสัยของเธอจะสอนเป็นวิสัยของพุทธะพระพุทธเจ้าอย่างเราเท่านั้นจะสอนได้ลูกศิษย์ของท่านองค์นี้เย็นวันนี้แหละเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ อันนั้นอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อก็ไม่ได้โอหังมังกลวัดถุกต้องเป็นธรรมดีที่สุดหลวงพ่อก็จะไม่พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะเหตุว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขนาดพระอรหันต์สารีบุตรแท้ๆนะแนะนำก็ยังหมดปัญญาต้องเป็นวิสัยของพุทธะยังมีในครั้งพุทธกาลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ที่หลวงพ่อได้พูดได้ฟังได้กล่าวให้ฟังได้ก็เป็นแนวทางสําหรับพวกเราประพฤติปฏิบัตินี่เป็นแนวทางของพวกเราได้ศึกษาน ะ, ะพวกเราหลวงพ่อชอี้อย่างนี้อย่งนะี้อย่างนี้แล้วนะลูกหลานป่าเนนศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างนี้ดูนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทางนี้ดูนะหลวงพ่อมีแต่ชีห้หนทางให้พวกเราได้เดินจากนั้นพวกเราจะเดินไปก็จะไม่ได้หลงโลกหลงทาง ไปสู่จุดหมายปลายทางนะการกล่าวสโมโภชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนารัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ลหลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราทุกทุกท่านขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ